ปัญหาที่สปัญหาของอันต ก, กายะอมบาตเช้าวันหนึ่งพระนาคเสณกมนุ่งสบงทรงจีวรมือสภายบาทแล้วเข้าไปสู่สาคนนครกับพระภิกษุแปดหมื่นองเวลาเดินมาตามทางนั้นอันต ก, กายะอมาต ถ, ถามขึ้นว่าข้าแต่พระนาคเสณท่านได้บอกไว้ว่าเราชื่อนาคเสณดังนี้ แต่กล่าวว่าไม่มีสิ่งใดเป็นน้าเกษน์ข้อนี้ข้าพเจ้ายังสงสัยอยู่พระเทระจึงถามว่าเธอเข้าใจว่ามีอะไรเป็นหน้าเกษน์อยู่ในคำว่าหน้าเกษน์อย่างนั้นหรือข้าพเจ้าเข้าใจว่าลมหายใจอันเข้าไปและออกมานี้แหละเป็นน่าเกษน์ถ้าลมนั้นออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาผู้นั้นจะเป็นอยู่ได้หรือ เป็นอยู่ไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าอุปมาพวกเป่าสังถ้าอย่างนั้นเราขอถามว่าธรรมดาพวกเป่าสังย่อมพากันเป่าสังลมของพวกเขากลับเข้าไปอีกหรือไม่ไม่กลับพระผู้เป็นเจ้าก็ถ้าอย่างนั้นเพราะเหตุไรพวกนั้นจึงไม่ตาย พวกช่างทองก็พากันเป่ากล้องประสานทองลมของเขากลับเข้าไปอีกหรือไม่ไม่กลับเข้าไปอีกพระผู้เป็นเจ้าพวกเป่าปีก็พากันเป่าปีลมของพวกเขากลับเข้าไปอีกหรือไม่ไม่กลับพระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นเหตุไรพวกนั้นจึงไม่ตายข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้าพระเจ้าไม่อาจสนทนากับท่านได้แล้ว ขอท่านจงไขข้อความนี้ให้ข้าพเจ้าเข้าใจด้วยเถิดพระเทระจึงแก้ไขว่าอันลมหายใจออกหายใจเข้านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีชีวิตวงเล็บเปิดคือคนและสัตว์วงเล็บปิดแต่เป็นกายสังขารวงเล็บเปิดคือเป็นเครื่องช่วยให้ชีวิตทรงอยู่วงเล็บปิดตั้งหาก ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้ากายสังขารตั้งอยู่ในอะไรกายสังขารตั้งอยู่ในขันบุงเล็บเปิดคือร่างกายบุงเล็บปิดคันได้ฟังดังนั้นก็มีจิตเรื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอันตกายะอมตจึงได้ประกาศตนเป็นอุบาสกขอนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งดังนี้